พัะชรามรณะทั้งหลายเนี่ยนะที่ที่เป็นไปอยู่อย่างนี้มันอมไว้ทั้งหมดอย่างนี้ผู้ที่แทงตลอดอย่างว่าชรามรณะคือตัวอนิจจ ง, งเนี่ยนะถ้าโดยศัย์นะดูดีๆเนี่ยคำว่าชรามรณะอมอาญตนะขันธาตุแต่ประกาศถึงปริญญาไว้ด้วยแล้วชรามรณะเนี่ยนะถ้าใช้คําว่าชราเนี่ยอะไรลักษณะทุกขลักษณะชราคือทุกขลักษณะนะมันเบียดเบียนนะ มองความชารานี่คือมองความทุกข์คือสิ่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นชาราก็คือความทุกข์มรณะก็คือความไม่เที่ยงเนี่ยนะประกาศชาราเท่ากับประกาศความทุกข์เนี่ยนะความตายก็คือความไม่เที่ยงหมายวถ้าชาราแล้วดีจังเลยไหมมีคนคิดอย่างนี้ไหมเออเนี่ดีนะอายุเพิ่มอีกตั้งปีหนึ่งอย่างเงี้ยไหก็ไม่มีใครดีใจอย่างนั้นนะอยู่แล้วเพราะมันเป็นความทุกข์นะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แล้วก็ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ ทีนี้การที่รู้มรณะเนี่ยนะอย่างที่รู้รู้โดยเฉพาะรู้วั น, นิจังของชราและมรณะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอีกในหนึ่งว่าวัตถุประสงค์ของคําสอนเราเอาย้อนมานะว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะชรามรณะชรามรณะสมุทยัยชรามรณะนิโรชรามรณะนิโรทฆามมินีปฏิปทาพระพุทธเจ้าสอนเพื่ออะไรพระองค์แสดงเพื่ออะไรนะ คำสอนเนี่ยนะบอกว่ากำจัดฉันทราคะไอตัวกำฉันทราคะตัวนี้แหละคือตัวตัณหาคือตัวสมุทัยสัตว์เหตุแห่งทุกข์เพราะฉพระพุทธเจ้าจะแนะนําวิธีว่าคิดยังไงจึงจะ ก, กำจัดฉันทราฆะได้ซึ่งที่เรียกว่าโอ้โหเราเนี่ยติดแน่นมากๆเลยนะมากจนอ่านอร่อยไหมอร่อยมากแม่ครัวที่ไหนนะทําอะไรจังเนี่ยนะชมไปเรื่อยไนหะ ก็นั่นแหละฉันทราค่ามันเป็นอามากขนาดนั้นนะ่ะเมื่อถามว่าฉันทราค่าเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์นะอย่างที่พระพิสุท่านไปลาพระสารีบุตรว่าเออนี่ถ้ามีคนเขาถามท่านทั้งหลายนะพวกที่เป็นพราหมณ์เป็นบัณฑิตเป็นต้นเนี่ยเขาถามท่านทั้งหลายว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์อะไรก็บอกเพื่อประโยชน์แก่การกาจัดฉันทราคะ ถามว่ากําจัดฉันทราค้าในอะไรก็บอกในขันหรือในอายตนะหรือในท่าบนั่นแหละาถามว่าแล้วฉันทราค้ามันเสียหายยังไงเนี่ยเนีเสียหายยังไงทำไมจะต้องกําจัดมันจริงๆคนมีคันทราค้าก็น่าจะมีความสุขใช่ไหมน่าจะมีความสุขก็เห็นดอกไม้สวยก็เพลินไปกับดอกไม้เห็นต้นไม้ก็เพลินกับต้นไม้เห็นอะไรก็เพลินไปหมดเลยอ่ะจริงๆน่าจะเป็นคนมีความสุข เห็นโทษอะไรทําไมจึงต้องกําจัดฉันทราคะก็เพราะว่าฉันทราค่าหรือตันหาอันนี้เป็นเหตุแห่งโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตเป็นเหตุแห่งนรกเปรดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นเหตุแห่งการเกิดในคันเป็นเหตุแห่งการอยู่ในคันเป็นเหตุแห่งการคลอดจากคันเป็นเหตุแห่งทุกขที่ตัวเองทําให้คนอื่นทําให้ทุกข์เพราะการแสวงหาอาหารเป็นต้นเนี่ยนะก็ทุกเหล่านั้นก็มีฉันทราค้านั่นแหละเป็นต้นเหตุ สราปว่าชั้นาราคาเป็นเหตุแห่งโสกาปริเทวะทุกโทมานัตและอุปาญาตเป็นต้นเหตุแห่งวัตถุทุกทีนี้ถ้ากําจัดชันทราคาได้ล่ะก็ถ้าตันหาดับอะไรดับนันทิสมุทยานันทิสมุทยาทุกขะสมุทยโยถ้านันทิดับอ่นันทิสมุทยาทุกขะเนโรโทรถ้านันทิดับทุกกระดับ ตัญหานิโรธโใชนันทินิโรธาอ่าทุกขะนิโรโทอันว่าความดับทุกข์ทั้งหลายเพราะนันทิดับเพราะนัน้นนอ่าทุกข์ทั้งหลายดับเพราะความเพลิดเพลินดับทีนี้คิดยังไงจึงจะละความเพลิดเพลินได้เอ่อวัตถุแห่งความเพลิดเพลินที่เราเข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยมันไม่ได้ดีจริงเนี่ยนะพูดตรงตรงง่ายๆเข้าใจเลยว่า สิ่งที่เราชอบไม่ใช่สิ่งที่ดีจริงวัตถุที่เราชอบคือชอบอะไรชอบชราและมรณะเนี่ยนะชอบชราและมรณะเมื่อเราชอบชราและมรณะซึ่งป ก, กติชรามรณะมัอนอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแอรเราก็ไม่ค่อยยอมรับอีกอยู่ดีนะไม่ก็ไม่มันน่าจะมันน่าจะอยู่อีกนานเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่านะพระพุทธเจ้าบอกว่าฝีนะเป็นต้นเนี่ย หรือถ้าสมัยใหม่เห็นทันเลยก็คือชรามรณะคือตัวระเบิดเมื่อหลายปีก่อนใช่ที่ที่ที่เชียงใหม่ไอไอที่ศาลที่เขาไปพ่อลำไยเยนะ่็นไหมโอระเบิดแตกบุ้มหายเงียบเลยเนื้อกระจุยไปหมดเลยนะเก็บเศษเนื้อไม่รู้ไปไว้ที่ไหนถามว่าถ้าไม่มีขันห้าแล้วมันจะระเบิด ไ, มไหมล่ะเดี๋ยนี เพราะฉะนั้นในที่ตึกถล่มทั้งหลายเสียหายแตกโคลบแตกจริงๆเลยอ่ะนะอันนั้นคืออะไรแตกก็คือตัวชรากับตัวมรณะทีนี้ถ้าบุคคลใดตัดฉันทราคะเพราะเห็นความไม่เที่ยงของชรามรณะและตัดฉันทราคะได้ น, น, น, นั่นแหละเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงะนั้นเขาเรียกว่าแทงตลอดชรามรณะนิโรธเพรา ะ, ะตัวตัวที่ไม่ทําให้แทงตลอดในนิโรธคือ ตัวตันหากับตัววิชาก็าเนื่องจากมีฉันทราคะทัา น, นผู้ที่เห็นชรา ม, มรณะโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็ดับทุกได้เนี่ยนะก็อย่างว่านะถ้าเรารู้ว่าไอ้ก้อนอันนี้คือก้อนระเบิดดีๆนี่แหละเราก็จะไม่กลืนจะไม่นอนซุก อ, อกใช่ไห้เราจะออกให้มันห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้เพราะท่านผู้ทหารทั้งหลายท่านไกลจากสังขารโดยอารมมณปัจจัยนะท่านมีความสุขกัการเข้า พระสมาบัติโดยที่มีวิสังขารคือท่านี้ผ่านเป็นอารมณ์ทีนี้ถ้ารู้โดยความเป็นทุกข์ละดียังไงถ้ารู้ขันห้าว่าเป็นทุกข์ละก็เหมือนกับว่ายัางไม่เท้าว่าไงั้นนะอาหารแห่งโรคใช่ไหมเชื้อโรคอนะเนีแอนแท็กนะนี่ยจดหมายฉบับนั้นเอาไหมถ้าได้จดหมายฉบับที่ว่าโหให้โรคมาเลยเนี่ยท้ามยินดีไหมขันห้าทุกขันห้าขันไหนไม่มีโรคบ้างอ๋อในห้องเราใครมีบุญถึงขนาดไม่เคยป่วยมีไหม ไม่มีอนะก็แปลว่าโรคนั่งได้ยืนได้ดีๆนี่แหละก็ตัวโรคจริงแล้วก็ถ้าใครตัดฉันราคะในโรคได้จะมีความสุขขนาดไหนทัานถ้าเห็นขันห้าโดยความเป็นโรค ก, ก็ก็เป็นเหตุแห่งการตัดฉันราคาด้วยระเบิดด้วยตัวโรคด้วยใครมีอำนาจจริงบ้างในนี้เพราะฉะนั้นอาสารกัดเถนะไม่มีความเที่ยงอยู่ในนี้เลยไม่มีความสุขไม่มีอัตตาที่แท้จริงอยู่ในนี้เลย นันถ้าเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพับเนี่ยก็จักแทงตลอดจิตก็จะสลัดออกจากชรามรณะอันนั้นแหละเรียกว่าชรามรณะนิโรธเพราะฉะนั้นถ้าตัดวิ ป, ปลาสในขันห้าได้แทงตลอดท่านนี้พามได้เนี่ยนะจิตก็จะหลีกออกจากชรามรณะถ้าจิตหลีกออกนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะแต่ว่าเราไม่ดลีกง่ายๆหรอกบอกท่านพูดไปเอ้ยอยัางไงโยงก็ยังไม่หลีกหรอกอตอนนี้ท่า เป็นผู้ที่แทงตลอดปฏิจจสุบาสนะะี่ครท่านแสดงว่าเป็นจุลโสดาบันเนี่ยหมายถึงว่าท่านจะไม่ล่วงศสินอีกหรือไงครับชาตินั้นคือที่เรียกว่าเป็นจุลโสดาบันเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าไม่ประมาทต่อไปก็เพราะว่าวิปัสสนาหรือปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะบางคนก็ยังเสื่อมอยู่ใช่ไหมครับพระพิสษุว่าแบบง่ายๆเลยนะพระพิสูจนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยท่าน อตอนหลังอโยนิโสเกิดได้ไหมก็เกิดได้แต่หมายถึงว่าถ้าไม่เลิกนะถ้าไม่เลิกยังรักษากุณสรรธรรมอันนี้เอาไว้ให้ดีเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็จะไม่ไม่ล่วงอกุณง่ายหรือถ้าล่วงท่านเหล่านั้นจะรีบสังวรเร็วที่สุดเพราะว่าคนที่กําหนดปัจจัยได้ก็คือกําหนดปัจจัยแห่งพบใหม่ได้ เมื่อเขากําหนดปัจจัยแห่งพบใหม่ได้นะถ้าอะไรที่มันจะทําให้เสียหายนะจะรีบแก้ไขเร็วที่สุดอันนี้ก็หมายความว่าถ้าแทงตลอดปฏิจจสุบัทก็เป็นเพียงชั่วอระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อบรมอย่างนี้หรือว่าถ้าความเข้าใจอย่างนี้ไม่เกิดก่อนที่จะตายนะครับก็ยังไม่แน่เหมือนกันก็ใช่ยังไม่แน่แต่ที่ท่านเรียกว่าเป็นจุลโสราบันเนี่ยนะเนื่องเนื่องจากคนที่รอบรู้อันนี้เนี่ย มีจิตเหนื่อยหน่ายจากสังขารความที่จิตของเขาน้อมไปในวิสังขารอันตัวอันนั้นแหละเป็นตัวรับรองไม่ให้เขาเกิดในอบอายก็ดูว่ายังเหนื่อยหน่ายในสังขารอยู่หรือเปล่าถ้ายังเบื่อหน่ายในสังขารอยู่ยังรังเกียจสังขารอยู่ก็ไม่ไปอบายแต่ถ้าเมื่อใดที่สังขารก็ยังน่ารื่นรมตามเดิมเนี่ก็เอาอะไรมารับรองก็ก็ไม่มีตัวอะไรรับรองอยู่แล้วเพราะว่า สิ่งเหล่านี้เสื่อมเป็นวิปัสสนาทั้งหลายหรือปัญญาทั้งหลายมีโยนิสโสมรณาสิการเป็นเหตุใกล้แต่ว่าถ้ายังโยนิสโสอยู่ก็แสดงว่ายังมีอยโยนิสโสอยู่เนีย่ยนะคือบุคคลทั้งหลายถ้ายังเป็นกุศลอยู่แสดงว่าบุคคลนั้นยังมีอากุศลอยู่เพราะกุศลเป็นเครื่องเปรียบกับอากุศลพผ้ารหันทั้งหลายเป็นผู้ลอยทั้งกุศลและอากุศลเรียบร้อยแล้วฉะั้นถ้ายัง ยังต้องเพียรอยู่เนี่ยนะอย่างที่เรียกว่าคนที่พักคือคนที่ไม่เจริญกรรมฐานนะะ่อยคนที่เพียรคือคนที่ยังไม่บรรลุพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่พักไม่เพียรเพราะท่านข้ามแล้วถ้าถ้าเปรียบแบบน้ํำนะถ้ามองแบบกระแสน้ําเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่เพียรคือคนที่ปล่อยจิตไปตามกระแสน้ําหรือลอยไปตามกระแสน้ําเพลิ้นไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าคนไม่เพียร น, นะะ่อยเท่ากับคนพัก อย่างคนที่กําลังว่า้ทวนกระแสอยู่พวกนี้เรียกว่าคนเพียรอันแล้วคนขึ้นบอกแล้วจะเรียกเขาอะไรพักหรือเพียนทั้งไม่พักไม่เพียรนะนั่นคนที่แทงตลอดอริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ไม่ต้องพักไม่ต้องเพียนอะไรแล้วเพราะถึงฝั่งแล้วอยู่บนบอกแล้วเป็นพรามแล้วทีนี้ของเราทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องต้องเพียนน่ะเนี่ยนะต้องเพียนเพราะความเพียนนี้เป็นเหตุให้ถึงที่สุดแห่งวัฏฏุกขได้ฉั้นแต่เพียรทำ ปริญาเนี่ยนะจนกว่าจะแทงตลอดว่าชรามอรณะเนี่ยร้อนจริงๆชรามอรณะนี่ร้เนี่ยเย็นจริงๆนะก็ช่างน้ําหนักสองตัวเนี่ยดีนะก็อย่างอย่างคิดง่ายๆนะว่าเอาเอาแบบเนี่ยเรามานั่งคิดในร่างกายของเราก็ได้เกษาเนี่ยร้อนเนีเกษาสมุทัยก็ร้อนเกษานิโร้นเนี่ยเย็นเกษานิโรอดถาขาไม่มีปฏิปทานเนี่ยเป็นทางปฏิบัติปลอดภัยจริงๆนะนี เราดีใจตามนั้นไหมถ้าดีใจก็แสดงว่ามีอัธยาสาัยแล้วละ่ะเนี่ยนะมีอัธยาศาัยที่จะออกจากวัตทุกขเรานั่งไปด้วยนะเล็บบ้างฟันบ้างนะฟันนี่เป็นของร้อนทันโตอ่ทันตาเนี่ยนะทันตะเนี่ยของร้อนทันตะสมุไทยก็ร้อนทันตะนิโรดนี่เย็นนี่นะถ้าเราเข้าถึงความเย็นคือทันตะนิโรดได้เป็นสุขอย่างยิ่ง ท่าจิตท่าน้อมไปแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆก็ก็ประกาศถึงว่าในที่สุดจกทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้าไม่น้อมแบบนี้เลยนะก็เขาต้องเจริญกุศลเพื่อให้น้อมจนได้ทีถ้าไม่น้อมไปเพื่อจะปฏิบตัติเพื่อจะเจริญอย่างนี้ก็ไปคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าท่านทําได้นะพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากสิ่งเหล่านี้จริงๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สิ่งนี้จริงๆอันนั่นแหละเรียกว่าเจริญ ฐานมุสติเนี่ยนะมันก็ต้องหมั่นทั้งก้องหมั่นทั้งอบรมอย่างนี้บ่อยๆเข้านั้นประตูที่เรียกว่าชรามรณะเนี่ยนะที่สุดแห่งชรามรณะเป็นคําสอนที่ใช้ในพระสูตรมากถ้า่านพระสูตรบ่อยๆใช่ไหมผ้าหันเป็นผู้พ้นชราและมรณะแล้วหรือเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งชราแล้วมรณะแล้วเป็นต้นเนี่ยนะคำเหล่านี้จะมีใน ถ้าไตรปิกเนี่ยมีมากโดยเฉพาะพระสูตรเนี่ยนะมีเยอะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจบทอันนี้เป็นบทที่ไม่ตายเนี่ยนะบทที่ที่เป็นอสังขตธาตาุโดยแทงตลอดอย่างว่าชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธทัามินีปฏิปทาเชื่อเถอว่าถ้าไปที่ต้นพระศรีมหาโพจะทราบซึ้งมากน ะ, น ะ, นะเพราะว่าบทนี้เป็นบทที่พระองค์แทงตลอดณที่นั้นนันะ แล้วก็ไม่ใช่บทเดียวใช่ไหมมีบทอื่นๆด้วยที่ที่พระองค์เอามาจำแนกนะแปว่าประตูแห่งอมตะนี่มีเยอะแต่บทคืออสังขตะธาตมีอันเดียวบทที่สงบเนี่ยนะบทที่สละคืนอุปธิบทที่สงบระงับสังขารมีอยู่บทเดียวแต่ประตูที่จะทำให้เข้าถึงบทอ น, นั้นมีมากคือหมายถึงว่าพิจารณาผมก็แทนตลอดทนิีผ่านบทนั้นได้ พิจารณาขนก็แทนตลอดได้พิจารณาเล็บพิจารณาฝันพิจารณาหนังคือสองร้อยหนึ่งบทตามปฏิสัมพิธามมรรคเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นประตูอมาตะได้หมดเลยเนี่ยนะสำคัญว่าเราจะพิจารณาตรงไหนเท่านั้นเองแต่อสังคตภ า, าพมีอันเดียวเนี่ยนะแต่วิธีการพิจารณาเนี่ยนะที่จะให้เข้าถึงอสังคตภ า, าพเนี่ยพิจารณาจากจุดใดก็ได้